จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้ามกราคมพุทธศักราช5 5 1เเป็นวันที่ท่านทั้งหลายว่างจากภารกิจการงานจึงได้ใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เพื่อมาบำเพ็ญ ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระาอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและ ได้นำเอาสิ่งที่พระ อ, องค์ได้ทรงศึกษาได้ทรงรู้ทรงเห็นนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายเช่นพวกเราผู้ที่ยังมีความมืดบอดครอบงำจิตใจยอยู่ยังหลงอยู่ในลาบยศสรรเสริญสุขซึ่งเป็นเหมือนกับดินกับทรายไม่ได้เป็นเพชรนินจินดา อย่างที่พวกเราคิดกันสิ่งที่เป็นเพชรนิมจินดาที่แท้จริงนั้นก็คือการหลุดพ้นจากอาสวะจากกิเลสทั้งหลายนั่นเองการได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ต่างหากที่เป็นเพชรนิมจินดาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งแก่ชีวิตจิตใจ เพราะจะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พวกลาบยศสรรเสริญสุขที่พวกเราทุกวันแสวงหากันอยู่นี้ไม่ได้พาให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้มีแต่จะผูกจิตใจให้ติดอยู่กับกองทุกข์อย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นดังที่เป็น อยู่กับพวกเราทุกวันนี้พวกเรายังต้องทุกขกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เองไม่ไม่มีใครบังคับแต่เพราะความหลงของเราเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าว่าเป็นเป็นมีคุณค่าเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นไฟว่าเป็นสิ่งที่เย็นเมื่อเราเข้าใกล้ไฟเราก็ถูกไฟเผาเมื่อเราเข้าใกล้ความทุกข์เราก็ถูกความทุกข์เบียดเบียนจิตใจทำให้เรากระวนกระวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความหลงทั้งนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเพศแท้ อะไรเป็นเพชปรอมนั่นเองทุกวันนี้พวกเราวิ่งเข้าหาเพชปรอมกันหาความสุขปรอมกันก็เลยต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจไปจนวันตายและตายแล้วก็ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์อีกยังต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ไปทุกข์ใหม่อีกตามบุญตามกรรมทุกข์มากทุกข์น้อย ก็ขึ้นอยู่ที่บุญกรรมที่ได้ทำไว้ถ้าทำบาปทำกรรมก็ต้องไปทุกข์มากในอบายถ้าทำบุญทำกุศลก็จะได้ทุกข์น้อยได้ไปเกิดภูมิที่มีความทุกข์น้อยหน่อยมีความสุขมากขึ้นนั่นก็คือภูมิของโพมของเทพของมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองแต่ถ้าพวกเราได้มีโอกาส ได้พบกับพระธรรมคำสอนอันติเสิมของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรามุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาวิปัสสนาถ้าเรา มุ่งมาทางนี้ปฏิบัติมาทางนี้เราก็จะได้ไปสู่มัพสู่ผลสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไป <c oughs> นี่คือความเลิกประเสริฐของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มีใครจะรู้ได้เท่ากับพระพุทธเจา้าคำสอนของศาสดาอื่นๆนั้น สอนได้ให้เพียงไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกทั้งนั้นได้ไปพบกับพระเจ้าได้ไปอยู่กับพระเจ้าแต่เขาไม่รู้ว่าสวรรค์ชั้นพรหมโลกนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกับโลกมนุษย์คือบุญที่ได้สะสมได้ส่งให้ไปสวยอยู่ในชั้นพรหมโลกนั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะเสื่อมแล้วก็จะหมดไป ทำให้ใจนั้นหยาบขึ้นก็ต้องลงมาเกิดในภูมิที่หยาบกว่าก็คือภูมิของเทพและของมนุษย์ตามลาดับกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มา <c oughs> สร้างบุญสร้างกรรมใหม่ถ้าได้เจอคนดีคนเจรลากสอนก็จะได้ทำบุญมากกว่าทบาปถ้าได้เจอคนไม่ดีคนโง้ สอนก็จะทำบาปมากกว่าทำบุญ <c oughs> พวกเราชาตินี้โชคดีได้มาพบกับคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าคนดีเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายนั้น <c oughs> เป็นผู้ที่คอยดึงคอยชวนเราคอยสอนเราให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษ ให้เห็นนรกให้เห็นสวรรค์ให้เห็นว่ามีการที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิน้นพวกเราถ้าเป็นคนฉลาดก็จะเห็นคุณค่าของพระธรรมธรรมสอนและจะปล่อยวางหรือไม่ขวนขวายหา สิ่งที่ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิต จ, จิตใจของพวกเรานั่นก็คือลาบยศเสริญสุขต่างๆในโลกนี้มันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลเวลาน้ำตาลละลายหมดไปก็เหลือแต่ความขมความสุขที่เราได้ในทางโลกก็เช่นเดียวกัน จะเป็นสุขต้นแต่ทุกกลายเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็ดี อ, อกดีใจมีความสุขแล้วไม่นานก็เกิดความเบื่อหน่ายหรือเกิดการพัดพรากจากกันเกิดการเสื่อมของสิ่งที่ได้มาจากใหม่ก็กลายเป็นเก่าไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดามีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเช่นมีการเจริญลาบเจริญยศมีสรรเสริญมีความสุขและในขณะเดียวกันก็มีความเสื่อมตามมาเช่นเดียวกันเสื่อมลาบเสือ่อมยศ นินทาทุกเนี่ยนี่คือโลกธรรมแปดที่ทุกทุกคนที่เกิดมาในโลกจะต้องสัมผัสอยู่ที่ว่าจะสัมผัสแบบไหนสัมผัสแบบคนฉลาดหรือสัมผัสแบบคนงโง่สัมผัสแบบปลาที่ฉลาดหรือปลาที่งโง่ปลาที่ฉลาดเห็นเหยื่ออยู่ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็จะไม่ฮุบเหยื่อนั้น แต่ปลาที่โง่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็จะฮุบทั้งเหยื่อทั้งเบ็ดแล้วก็จะถูกเบ็ดเกี่ยวคอสร้างความทุกข์ทรมานและถึงแก่ชีวิตได้ฉันใดลาบยศสรเสริญสุขทั้งส่วนที่เสือ่อมและทั้งส่วนที่เจริญและส่วนที่เสือ่อมก็เป็นอย่างเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดคนฉลาดนั้นจะไม่หลงยินดี กับการเจริญของลาบยศ ส, สรรเสิริญสุขเพราะรู้ว่าจะต้องมีความเสื่อมตามมานั่นเองคนที่ไม่ยินดีไม่ตะครุบไม่่อยคว้าหาลาบยศ ส, สรรเสิริญสุขก่ไม่มีปัญหากับการเสื่อมของลาบยศสรรเสิริญสุขเสื่อมก็เสื่อมไปเวลามีก็มีไว้อย่างนั่นเองเพราะมันเป็นอนิสงค์ของบุญที่เคยทําไวในนดีต ส่งผลทำให้เจริญในรายยศสรรเสริญสุขแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนรวยได้ก็จนได้มียศก็ถูกปลดได้มีคนสรรเสริญก็มีคนนินทาได้มีความสุขก็มีความทุกข์ได้นี่คือนี่คือ ความสุขที่พวกเราทั้งหลายหลงไหลกันอยู่ต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายมาคอยเตือนสติคอยบอกให้เราอย่าไปหลงกับลาบยศสรรเสริญสุขเพราะว่ามันจะทำให้เราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจทั้งในขณะที่ไม่ได้มา และขณะที่ได้มาและขณะที่สูญเสียไปเวลาที่ยังไม่ได้ก็กระวนกวายต้องวิ่งเต้นต้องขวนขวายต้องต่อสู้ต่างๆนาน า, นาเพื่อให้ได้มาเมื่อได้มาแล้วก็ต้องกระวนกวายกับการดูแลรักษากับความหวงความห่วงและเมื่อสูญเสียไปก็ต้องทุกข์ เศร้าโศกเสียใจนี่แลเป็นสิ่งที่นักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านมองเห็นกันท่านเห็นปัญหาที่มันกระทบกับจิตใจความทุกข์ที่รุมเร้าจิตใจแต่คนไม่ฉลาดจะมองไม่เห็นทุกข์ถ้าเป็นแทบตายก็ยังอยากได้มีแล้วก็ไป หวงพยายามยึดติดแล้วก็ไม่รู้จักพอได้มามากน้อยเพียงไรก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่มองไม่เห็นความทุกข์นั้นเพราะถูกความหลงปิดปิดบังไว้จึงต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้ามาคอยเตือนสติคอยสอนพวกเรา ไม่ให้ไปยึดไปติดกับลาบยศสารเสริญสุขถ้าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่จะได้สัมผัสกับลาบยศสะลรเสริญสุขก็ให้เตือนสติอยู่เสมอว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันใครจะจากกันไปก่อนท่านั้นเองหรือจากไปพร้อมๆกันก็ได้ สมบัติต่างๆที่มีอยู่อาจจะหมดไปก่อนที่เราตายก็ได้หรือเราตายไปก่อนที่สมบัติมันจะหมดก็ได้หรือตายไปพร้อมๆกับสมบัติก็ได้หมดไปพร้อมๆกับสมบัติก็ได้นี่คือความจริงของลาบยศ ส, สรเสวญสุขที่พวกเราทุกคนติดกันเหมือนกับเป็นปลาติดเบ็ดนั่นเองเราจึงมีความทุกข์ไม่ไม่รู้จักจบจากสิ้น เดี๋ยวก็ทุกกับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทุกกับเรื่องนี้เดี๋ยวก็ทุกข์กับคนนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์กับคนนี้ <Yeah. S 1> เพราะเราไปยึดติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เอง mm. เราไม่ปล่อยวาง mm. เราไม่หาความสุขที่แท้จริง mm. ที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านชี้ทางสู่ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่มีความเสื่อมตามมาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่เป็นอย่างถาวรไปตลอดอนันตการมีอยู่และมีอยู่ในใจของเรา <S <S เพียงแต่เราต้องสร้างมันทําให้มันปรากฏขึ้นมาขณะนี้มันถูกความทุกข์ที่เกิดจากความหลง ครอบงาปิดไว้จึงทําให้เราไม่เห็นความสุขที่มีอยู่ในใจของเราหน้าที่ของเราก็คือต้องชาระสิ่งที่ปกปิดหุ้มหอ่อความสุขนี้ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปเหมือนกับเพชรที่เราขุดออกมาจากดินยังไม่มีความสวยงามยังไม่เห็นคุณค่าของเพชร เราต้องเอามาล้างพวกดินต่า ง, างๆที่ที่หุ้มหอม่อเพชรอยู่ก่อนแล้วก็นำเอาไปเจรไนจนกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาใจของพวกเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนเพชรที่ยังอยู่ในโครนในตมอยู่เราต้องชำระเพชรเม็ดนี้ต้องชำระใจเม็ดนี้ให้ปราศจากโครนตรมทั้งหลาย โคลนตมของใจก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่เสมอเราจึงต้องแก้ที่ความหลงเพราะความหลงเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากแล้วก็ทำให้เกิดความโกรธเกิดความทุกข์ตามมาความหลงก็คือ การไม่เห็นความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองเราเห็นว่าความสุขว่าอยู่ที่ลาบที่ยศที่สรรเสริญที่การได้เสพรูปเสียงเกลิ่นลดนผูดถภะต่างๆเช่นได้กินอาหารที่ถูกปากได้ดื่มเครื่องดื่มที่ถูกใจได้หลับได้นอนกับคนที่เราชอบคนที่เรารัก หรือได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นความสุขที่ปลอมไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเราเสกกันมาเราได้สัมผัสกันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วเราก็ยังไม่เคยพบกับความอิ่มความพอหรือพบกับความสิ้นสุดของความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เรายังต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผูดทับพะหรืออะไรก็ตามคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยที่เรารักที่เราต้องการความสุขก็สร้างความทุกข์ให้กับเราได้สิ่งของต่างๆที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราก็สร้างความทุกข์กับเราได้เช่นเครื่องบันเทิงต่างๆ ใช้ไปดูไปฟังไปไม่นานเดี๋ยวก็เสียเสียก็ทำให้เราหมุดหงิดใจต้องเอาไปซ่อมอย่างนี้เป็นต้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่ในกฎของไตลักักคืออยู่อยู่ใต้ความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนนั่นเองคือไม่สามารถไปควบคุมบังคับ ให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสนอนี่คือสิ่งคือความหลงที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่จรงรัง ม, มันมีความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหามีเรื่องตามมา <c oughs> ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามมีความสุขกับสิ่งนั้นกับบุคคล น, นั้น เพียงเดียวเดียวแล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมามีเรื่องตามมามีความทุกข์ตามมาจึงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงและเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอมันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเช่นเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราคิดว่า ถ้าเรามคีคู่ครองแล้วเราจะมีความสุขแต่พออยู่ด้วยกันแล้วคู่ครองเขาก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอบางทีเราอยากจะให้เขาทำอย่างนั้นเขาไม่ยอมทำเราก็หงุดหงิดใจเราก็ทุกข์ใจแล้วเพราะเราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับให้เขาทำตามความต้องการของเราได้เสมอไปนั่นเอง นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดปัญญาแล้วจะทำให้เราไม่อยากได้อะไรเช่นพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระราชาโอรสพระองค์ก็ทรงอยู่ท่ามกลางลาบยศสรรเสริญสุขทุกรูปแบบแต่พระองค์ก็ใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อย ก็ทรงเห็นว่ามันสุขนิดหน่อยมันทุกข์มากกว่ามันไม่ถาวรมันไม่จีรังมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้จนวันหนึ่งก็เลยตัดสินใจสละความสุขต่างๆเหล่านี้ไปเลยออกไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการชำระ กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจพอได้ชำระจนหมดสิ้นแล้วก็กลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาผู้ที่ชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยตนเองคือไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนเรียกว่าเป็นพระ พุทธเจ้าแต่ผู้ที่ชําระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของผู้อื่นคือของพระพุทธเจ้าผู้นั้นไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เรียกว่าเป็นพระอรหันตสาวกเป็นพระอรหรันตตสาวกคําว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟัง พระอาหารหันตุกรูปนี้ไม่ได้ตัดสรุไม่ได้ชำระกิเลสได้ด้วยความสามารถของตนเองแต่ชำระกิเลสได้ด้วยการเอาสัยคาสอนของพระพุทธเจา้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้ก็จะไม่มีพระอาหารหันตสตัวกปรากฏตามขึ้นมาได้เพราะว่าไม่มีใครจะรู้ว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การชำระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองทุกคนก็คิดว่าความสุขอยู่ที่การมีลาบยศสารเสริญสุขทุกคนจึงขวนขวายหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาคำสารเสริญเยินยอหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแบบไม่งอหัวเลยแบบไม่เคยคิดแล้วว่า มันเป็นความสุขจริงหรือเปล่าแล้วทำไมจึงไม่สุขสักทีทำไมยังต้องทุกขอยู่เรื่อยๆทำไมยังหิวอยู่เรื่อยๆทำไมยังต้องการอยู่เรื่อยๆนี่เป็นปัญหาเป็นปริศนาที่คนฉลาดจะมองเห็นแต่คนโง่นี้จะมองไม่เห็นจะมีแต่หาไปเรื่อยๆหาได้มามากหาได้มาน้อยก็หาไปเรื่อยๆ สุขมากสุขน้อยทุกมากทุกน้อยก็หาไปเรื่อยๆและหามาอย่างนี้มานับไม่ท้วนแล้วในอดีตในแต่ละภพแต่ละชาติและจะหาอย่างนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่ได้เจอกับนักปราบเช่นพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนำมาปฏิบัตินำมาชำระ ความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดไปถึงจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงมาเช่นนั้นแล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้พวกเราชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่มีวาสนามากเป็นโชคเป็นบุญเป็นกุศลมาก ที่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าได้มาเจอพระธรรมคำสอนได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ที่ว่าเราจะมีความกล้าหาญมีสติปัญญาพอที่จะน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติได้หรือไม่ อยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะสละลาบยศเสริญสุดต่างๆไปได้หรือไม่ไม่หวังรวยอีกต่อไปไม่หวังเป็นใหญ่เป็นโตเป็นในพันในพลไม่เป็นนายกไม่เป็นประธานาธิปดีไม่สนใจว่าใครจ ะ, สะเสริญยกย่องเยินยอหรือไม่ไม่สนใจที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่จะ กล้าที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นทำบุญให้ทานมีเงินทองที่เกินความจำเป็นมากน้อยเพียงลยก็นำเอาไปบราจาคให้หมดแล้วก็ตั้งกายวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำผิดศีลผิดธรรม แล้วก็บำเพ็ญสมะถะและวิปัสสนาภาวนาถ้ายังอยู่ในบ้านก็ทำเช้าเย็นเป็นอย่างน้อยตื่นขึ้นมาก่อนที่จะไปทำภารกิจต่างๆก็สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาพิจนารณาความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายและสิ่งต่างๆว่า เกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่เจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาหลีเกเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องปกตินี่คือปัญญาสอนให้เรารู้ว่าไม่ควรไปยึดไปติดกับสิ่งต่าง เพราะเมื่อถึงเวลาที่เสื่อมถึงเวลาที่พลาดลาดจากกันจะกุ้มอกกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับและในขณะที่อยู่ร่วมกันก็ต้องคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลเพราะไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่จะจากกันไปเมื่อไหร่นี่คือกิจวัตรของคารวะผู้ครองเรือนที่ควรจะกระทำอยู่สม่ำเสมอ ทั้งเช้าทั้งเย็นพ่อจะทำให้จิตใจมีภูมิกุ้มกันอย่างน้อยก็จะไม่ให้ไปหลงมากขึ้นกว่าเดิมแต่ยังอาจจะไม่สามารถตัดความหลงได้นอกจากพยายามปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นคือนอกจากเช้าเย็นแล้วช่วงวันพระก็จะอยู่วัดหรือวันหยุดราชการที่ไม่ต้องไปทำงานทำการ แทนที่จะไปเที่ยวเตร่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาหาความสุขทางจิตใจด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาเจริญปัญญาทำจิตใจให้สงบอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งก็จะมีพลังที่จะกล้าตับทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแม้กระทั่งครอบครัวภรรยาหรือสามี ดูกต้าเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันแต่เราควรจะจากกันเพื่อให้ได้กาไรคือจากกันเพื่อไปปฏิบัติธรรมอย่าจากกันเพื่อที่เข้าโรงให้เขาเอาเราไปเผาถ้าจากกันแบบนั้นไม่ได้กาไรอะไรขาดทุนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ตักตวงบุญกุศลเท่าที่ควรจะตักตวงได้ พอยังหลงยังยึดยังติดยังเสียดายกับลาบยศสารเสบสุขต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราหมันม่นบำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆและม่และบำเพ็ญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆสติปัญญาก็จะมีกำลังมากขึ้นสมาธิก็จะมีมากขึ้นความสุขใจก็จะมีมากขึ้น ก็จะทำให้ไม่ต้องอาศัยความสุขจากสิ่งภายนอกความสุขจากบุคคล น, นั้นจากบุคคล น, นี้เมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็พร้อมที่จะละสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆละการคลองเรือนมุ่งไปสู่การบำเพ็ญปฏิบัติในฐานะของนักบวชในฐานะของสัมณะ และไม่ช้าก็เร็วถ้าบางเพ็ญตามอย่างเคร่งครัดพระพุทธเจ้าทรงทานายไว้ว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือถ้าเป็นคนฉลาดมีปัญญาแก่กล้าเพียงเจ็ดวันก็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ บรรลุถึงพระนิพพานได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องเสียเวลาบำเพ็ญบุญบุญบารมีเป็นอสงไขยเป็นกับเป็นกันเพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าคอยชีย้ทางแล้วส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครชี้ทางก็เลยต้องคลำไปทั่วจักรวาลคลาไปทุกพบทุกทุกทุกโลกโจนกว่าจะได้พบกับคำตอบนั้น จิงต้องเสียเวลาเป็นเวลาอันยาวนานแต่พวกเรานี้โชคดีเจอคนที่รู้จักทางแล้วชี้ทางบอกเราแล้วถ้าเราไม่ตักตวงไม่เชื่อฟังก็เป็นความโง่เขลาเบาปัญญาของเราเราเกิดมาก็จะเสียชาติเกิดเสียโอกาสอันดีเลิศนี้ไปและก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกไม่รู้กี่จบไม่รู้กี่พกี่ชาติ จึงขอให้ท่านจงให้ความสาคัญต่อการศึกษาและก็การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะโอกาสที่จะได้ศึกษาและปฏิบัตินั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายไดกลับมาเกิดชาติหน้าอาจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็ได้เพรา ะ, ระศาสนานี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ไปตลอด อย่างศาสนานี้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าอยู่ได้เพียงห้าพันปีหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครรู้เรื่องพระธรรมคำสอนอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาที่ว่างจากพระธรรมคำสอนเป็นกลับเป็นกันกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้มาสั่งสอนสัตว์โลกอีกนั้นก็เป็นเวลายาวนาน เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านชาติกว่าจะได้เจอพระธรรมคำสอนอีกจึงขอให้เราจงเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนยิ่งกว่าเห็นคุณค่าของลาบยศสละเสริญสุด ข, ขอให้เราเห็นว่าพระธรรมคำสอนนี่แลคือเพชรที่แท้จริงเป็นรัตนะเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราแล้วเราจะได้รับประโยชน์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 ด้วยอายุวันณับสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ